ปฏิพานกับความจํานักจิตวิทยาผู้ศึกษาในเรื่องการเสริมสร้างความจําได้พูดถึงเรื่องอินทูริชัอันแปลว่ายานหรือการอย่างรู้ในความหมายที่ว่าการแลเห็นได้ทะลุ ป, ปรุกปลงแต่นักจิตวิทยาของไทยนิยมใช้คําว่าปฏิพานแทนคําดังกล่าวในความหมายเดียวกันเพราะรัดกุมและเรื่องหูกว่าการใช้ว่าการแลเห็นได้ทะลุปลุปโปลงหรือความมีไหวพริบ อันปฏิพานตามความเห็นของนักจิตวิทยานั้นได้แยกออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปฏิพานทางประสาทปฏิพานทางประสาทนั้นได้แก่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยหลักวิชาความรู้ใดๆคือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาฉับพลันทันทีที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ว่าสิ่งใดควรทาและสิ่งใดไม่ควรทาแต่ถ้าให้อธิบายเหตุผลแล้วก็จะไม่อาจจะอธิบายได้ว่า เพราะเหตุใดจึงควรทำและเหตุใดไม่ควรทำแต่ทั้งทั้งที่ไม่อาจจะอธิบายได้เราก็ยังมั่นใจว่าเราได้คิดได้ทำถูกต้องแล้วอยู่นั่นเอง 2. ปฏิพัน์ทางปัญญาปฏิพันธ์ทางปัญญาได้แก่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอาศัยความรู้ที่เคยศึกษาเรียนรู้มากล่าวโดยสรุป ปฏิพานก็คือกำลังความคิดอันหนึ่งที่เกิดมีขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลนักปราชญาส่วนมากยกย่องปฏิพานว่าสูงกว่าความรู้ความฉลาดใดๆทั้งสิ้นในความหมายทั่วๆไปปฏิพานคือความคิดที่ว่องไวมีไหวพริบสามารถรู้เท่าทันคนอื่นรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้ในเมื่อเกิดวิกฤตตการ ดังนั้นผู้ที่มีปฏิพาน์จึงมักได้เปรียบในการต่อสู้ทุกชนิดจะปลูกปฏิพัน์ได้อย่างไรหรือไม่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวงเล็บเปิดรัชกาลที่หกวงเล็บปิดได้ทรงอธิบายคำว่าปฏิพาน์ไว้ว่าต้องบังเกิดขึ้นเองในนิสัยสันดานของบุคคลไม่มีตำรับตำราอันใดที่จะอธิบายให้เรียนรู้และเป็นการยากที่จะสอนกันได้ แต่ก็ยังพอมีทางจะแนะนํากันได้บ้างถ้ามีพื้นมีปฏิพานอยู่บ้างแล้วแต่ถ้าไม่มีพื้นเสียเลยก็ย่อมยากและไม่มีทางที่จะปลูกปฏิพานขึ้นได้เลยอย่างไรก็ดีนักจิตวิทยาบางคนกล่าวว่าการทําตนให้เป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะคือเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอนั้นสามารถจะช่วยให้เกิดปฏิพานได้ การหัดตนให้เป็นคนคิดให้ลึกซึ้งไม่คิดอะไรเพียงผิวเผินกล่าวคือเมื่อเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรแล้วต้องไม่พอใจอย่างเท่าที่เห็นต้องหัดคิดให้ลึกลงไปอีกเช่นนี้ก็เป็นการปลูกฝังให้เกิดปฏิพานได้อีกทางหนึ่งผู้ที่มีปฏิพานคือผู้ที่สามารถยังรู้ถึงความมุ่งหมายอันแท้จริงในเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงออกมาไม่ว่าจะด้วยคาพูดหรือด้วยกิริยาท่าทางคือรู้ว่า คนคนนั้นพูดด้วยใจจริงหรือพูดด้วยกระทบกระแทกแดกดันการฝึกให้มีปฏิพานประการแรกจะต้องไม่ดูไม่ฟังไม่เชื่อโดยผิวเผินต้องฝึกใจในการคิดให้มากคิดให้ลึกลงไปกว่าสิ่งที่ได้ยินและได้เห็นมาอย่างไรก็ดีคุณจะต้องระลึกว่า ลักษณะของการคิดให้ลึกซึ้งกับลักษณะของความระแวงแคลงใจนั้นไม่เหมือนกันเพราะลักษณะของการระแวงสงสัยมักจะปรากฏออกมาในทางเลวร้ายมองอะไรในแง่ร้ายส่วนลักษณะของคนที่คิดลึกซึ้งนั้นอาจเป็นการคิดการมองในแง่ดีมากกว่าในแง่ร้ายตัวอย่างในการคิดลึกประการหนึ่งได้แก่เช่นเมื่อคุณได้พบกับใครเข้าสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักมานานแล้วขออย่าคิดพอใจแต่เพียงว่า เขาจะอยู่ในชุดที่สวยงามหรือไม่กิริยาท่าทางเป็นอย่างไรเท่านั้นหากแต่จงคิดให้ลึกซึ้งไปอีกว่านอกจากการแต่งกายกิริยาท่าทางรูปร่างหน้าตาที่เราได้เห็นเขาแล้วนี้นั้นนิสัยอันแท้ จ, จริงของเขาเป็นประการใดเพราะบางทีคุณอาจจะคิดผิดหรืออาจจะคิดถูกซึ่งก็ไม่สําคัญขอเพียงแต่ได้ฝึกหัดคิดเข้าไว้เท่านั้นก่อนก็เพียงพอแล้วเพราะการฝึกคิดเช่นนี้เป็นวิธีการสร้างปฏิพันธ์ให้เกิดมีขึ้นแก่ตัวของคุณเอง วิธีฝึกปฏิพันธ์ด้วยการจดจำสุภาษิตนักจิตวิทยาและนักปราช์บางท่านได้แนะวิธีปลูกปฏิพาน์ไว้ว่าการที่จะปลูกปฏิพาน์ขึ้นในความนึกคิดของคุณนั้นอาจจะกระทาได้อย่างมีผลดีด้วยการจดจำคำคมหรือคำในสุภาษิตของบรรดานักปราชต์ต่างๆไว้ให้มากที่สุดและพยายามเข้าใจความหมายแห่งสุภาษิตนั้นให้ถ่องแท้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยสร้างกำลังความคิดและปฏิพานให้เกิดแก่คุณขึ้นก็น่าเลื่อมใสศรัทธาอยู่ไม่น้อยเพราะในสุภาษิตหรือคำคมเหล่านั้นล้วนเป็นคำของนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดเมื่อคุณจำได้ก็เท่ากับได้รับเอาความคิดที่ดีๆนั้นไว้ในความคิดของคุณเมื่อต้องประสบกับเรื่องราวหรือปัญหาใดก็จะต้องวินิจฉัยคุณก็อาจจะวินิจฉัยได้รวดเร็วถ้าเหตุการณ์นั้น ไปคล้ายกับสุภาษิตหรือคำคมเหล่านั้นดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่คุณคุณผู้สนใจข้าพเจ้าจึงขอนําสุภาษิต ท, ที่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องช่วยในการปลูกปฏิพานมาประมวลไว้ดังต่อไปนี้สุภาษิตไทยต้นนั่นแหละคือที่พึ่งแห่งตนสุภาษิตเยอรมันพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ทํางานสุภาษิตสเปนพระเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ตื่นแต่เช้าสุภาษิตญี่ปุ่นจงทํางานให้เต็มความสามารถ แล้วสวรรค์จะประทานโชคลาภมาให้สุภาษิตจีนไถหวานมันรดน้ําแล้วจึงสวดมนต์อ้อนวอนสวรรค์สวรรค์จะประทานดอกผลให้อย่างแน่นอนสุภาษิตฝรั่งเศสจงช่วยตัวของท่านเองก่อนแล้วพระเป็นเจ้าจะช่วยท่านสุภาษิต ท, ทั้งหลายที่ได้นํามาแสดงไว้ข้างต้นนั้นล้วนแต่มีความหมายอย่างเดียวกันทั้งสิน้นคือให้ข้อคิดว่าตัวของตัวเองนั่นแหละ คือผู้ที่จะบรรดาลความสำเร็จให้แก่ตัวไม่ใช่คอยแต่ความช่วยเหลือจากผู้อื่นจากพระเป็นเจ้าหรือจากสวรรค์ดังนั้นจากหลักวิชาของนักปราชต์ต่างๆที่ได้ยกมากล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นจึงพอสรุปได้ว่าปฏิพานนั้นอยู่ในลักษณะเดียวกับความนึกคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีสุดท้ายนี้ขอให้คุณจงมั่นใจว่าปฏิพานหรือไหวพริบนั้นเป็นเรื่องที่เราจะปลูกมันขึ้นมาได้ ความจำกับปัญญานั ก, กจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งได้กล่าวถึงความจำไว้ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะลืมเสียได้เพราะเมื่อได้เกิดมีรอยประทับขึ้นในความทรงจำของเราแล้วมันจะไม่สูญสลายไปเป็นอันขาดนอกจากนั้นพละโต๊นักปราคนสำคัญของโลกก็ได้กล่าวไว้ว่าความจริงที่ยั่งยืนถูกต้องแน่นอนคือรากฐานของความสำเร็จในกิจการทุกชนิด และเมื่อเราได้วิเคราะห์ไคร่ครวนโดยถ่องแท้แล้วก็ย่อมตรหนักว่าวิทยาการทั้งหลายของเราย่อมขึ้นอยู่กับความจำของเราทั้งสิน้นดังนั้นวิทยาการทั้งหลายก็คือความจำนั่นเองดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าในบรรดาคุณสมบัติต่างๆในมันสมองของมนุษย์เรานั้นสิ่งที่จัดว่ามีความสำคัญยิ่งก็คือความจำ เพราะคนที่ปราศจากความจำนั้นย่อมไม่สามารถจะศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบธุรกิจการงานใดๆไ ด, ๆได้เพราะคนที่ปราศจากความจำจะจำอะไรไม่ได้เลยเขาจะมีสภาพที่ไม่ผิดอะไรกับคนที่มีสติวิ ป, ปลาสส่วนคนที่มีความจำน้อยหรือจำได้ไม่ค่อยดีนั้นก็มักจะเล่าเรียนไม่ได้ผลเพราะไม่อาจจะจดจำคำสอนของครูได้หรือกว่าจะจำได้ก็ช้าอย่างที่เรียกว่าคนปัญญาทึบ ต้องเรียนซ้ำชั้นดังนั้นคนที่มีความจำไม่ดีจำยากย่อมไม่ก้าวหน้าในการเรียนไม่ก้าวหน้าในการทำงานสำหรับผู้ที่มีความจำดีพอสมควร น, นั้นจะสามารถเล่าเรียนและประกอบธุรกิจการงานได้ในระดับปานกลางส่วนผู้ที่มีความจำดีจำได้รวดเร็วแม่นยำ จะเป็นผู้ที่สามารถเล่าเรียนได้เก่งสอบไล่ได้และมักได้คะแนนดีทุกปีเป็นผู้คงแก่เรียนคนที่มีความจำดีแม้จะมีสมรรถภาพอย่างอื่นไม่ค่อยดีนักก็ยังมีทางประสบความสำเร็จในชีวิตในอันที่จะจดจำวิชาความรู้ไว้ถ่ายทอดสั่งสอนผู้อื่นต่อไป ในความเข้าใจของคนไทยเราในครั้งโบราณ น, นั้นมักจะเข้าใจว่าคนที่มีความจำดีนั้นก็คือคนที่มีปัญญาดีซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่ผิดเพราะคำว่าปัญญาหมายความว่าการรอบรู้และคนเราจะรอบรู้ในสิ่งต่างๆได้ก็เพราะมีความจำดีถ้าไม่มีความจำหรือจำไม่ดีก็ไม่อาจเป็นผู้รอบรู้ได้โดยเฉพาะในสมัยโบราณ น, นั้น คนไทยเราเริ่มเล่าเรียนหนังสือกันตามวัดวาอารามโดยมีพระภิกษุเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาความรู้และส่วนมากมักจะต้องเรียนภาษาบาลีประกอบไปด้วยการเรียนในลักษณะดังกล่าวแล้วนั้นจะต้องใช้การท่องจำดังนั้นผู้ที่มีความจำไม่ดีย่อมไม่อาจจะเล่าเรียนได้สำเร็จคนที่เล่าเรียนไม่สำเร็จมักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปัญญาทึบหรือความจำไม่ดี ในปัจจุบันนี้วิชาครูได้ก้าวหน้าไปมากผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งสอนวิชาความรู้ได้พยายามค้นหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้ความจำดีขึ้นแม้คนที่มีความจำไม่ค่อยดีแต่ถ้าพยายามตั้งใจเรียนและเข้าใจในวิชานั้นแล้วก็ยังสามารถจะเล่าเรียนให้สำเร็จได้อย่างไรก็ตามความจำก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากทั้งในการเล่าเรียนและการทำงานอาชีพ โดยเฉพาะในการเล่าเรียนนั้นยังไม่มีใครค้นพบวิธีที่จะเรียนให้ได้ดีสอบไล่ได้ทุกปีโดยไม่ต้องมีการท่องจาเสียทีเดียวกฎต่างๆในทางวิทยาศาสตร์สูตรต่างๆในวิชาเลขคณิตก็ยังต้องใช้การท่องจาทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้คนที่มีความจาดีมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้ดีกว่าคนที่มีความจาดีมาแต่เดิมแล้วนั้น ต่อมาอาจเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้ความจําเสื่อมก็ได้เป็นการสูญเสียความทรงจําอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างหนักในกรณีเช่นนี้คนคนนั้นจะสูญเสียความทรงจําโดยสิ้นเชิงลืมแม้กระทั่งชื่อของตนเองและจะต้องใช้เวลานา น, านมากในการที่จะพยาบาลรักษาให้กลับคืนความทรงจําดังเดิมดังนั้นจึงอาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ความจำนั้นมีความสำคัญยิ่งซึ่งมนุษย์เราจะขาดเสียมิได้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรจะอยู่ในวัยใดเพศใดศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบธุรกิจใดความจำย่อมมีความสำคัญแก่เราเสมอคนบางคนอาจมีความจำดีมาแต่กำเนิดซึ่งก็นับได้ว่าคนผู้นั้นมีลาบอันประเสริฐ ท, ที่ธรรมชาติประสาทให้ แต่จะให้ดีจริงๆแล้วผู้นั้นจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเพราะคนที่แม้จะมีความจำดีมาแต่กำเนิดแต่ถ้าสุขภาพไม่สมบูรณ์เจ็บไข้ออดๆแอดๆอยู่เสมอแล้วความจำที่ดีมาแต่กำเนิดนั้นเมื่อไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงที่ดีก็ย่อมจะต้องเสื่อมซามเร็วลงเป็นลาดับ ดังนั้นแม้เราจะมีความจำดีมีสติปัญญาและศึกษาเล่าเรียนเก่งมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพให้คงความสมบูรณ์อยู่เสมอไปแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะต้องได้พบกับความล้มเหลวเพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่อาจจะศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้อันหนึ่งคนส่วนมากคิดว่าถ้าหากว่ามันสมองดีแล้วสุขภาพของร่างกายจะแข็งแรงดีไปด้วยซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะมันสมองที่ดีไม่ได้ก่อให้เกิดความแข็งแรงแก่ร่างกายตรงกันข้ามร่างกายที่แข็งแรงต่างหากที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมองดังนั้นการเพิ่มพลังความจำหรือการเสริมสร้างสมองของเรานั้นเราจะต้องสร้างความแข็งแรงรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอการจําแนกความจํานักจิตวิทยาได้แบ่งแยกความจาของมนุษย์เราออกเป็นสามชนิดสามขั้นด้วยกันคือหนึ่ง การจดจำได้แก่การเริ่มต้นที่จะจำได้อันได้แก่การบันทึกหรือรับเอาวิชาความรู้หรือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเข้าไว้ในความทรงจำสอการเก็บความจำซึ่งหมายถึงการเก็บรักษาสิ่งที่เราจดจำได้แล้วนั้นให้คงอยู่ในความจำของเราตลอดไปไม่ลืมง่าย 3. การกลับระลึกได้อันได้แก่ ความสามารถที่จะระลึกขึ้นมาได้ถึงความจำที่ได้เคยเก็บไว้เมื่อต้องจะนำมาใช้ประโยชน์ความจำในวัยต่างๆในวัยเด็กเป็นระยะที่ทั้งสมองและร่างกายของเราจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองอยังว่างเปล่าพร้อมที่จะรับเอาสิ่งต่างๆที่ได้รู้ได้เห็นเข้าไว้ได้มากและอย่างรวดเร็ว มนุษย์ในวัยเยาว์จึงมีความสามารถในการจดจำได้ง่ายและดีมากทั้งนี้ก็เพราะในวัยเด็กนั้นสมองของทารกไม่ต้องคบคิดอะไรมากจึงมักปลอดปโปรง่งมีความสามารถในทางจดจำดีและรวดเร็วแต่ในวัยนี้เรามักจะลืมได้ง่ายในเมื่อเราเก้าวเข้าสู่มัดชิมวัยสมองของเราจะต้องทำงานที่หนักขึ้นต้องคิดอะไรต่ออะไรมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างด้วยกัน การจดจำจึงมักจะยากขึ้นแต่เมื่อจดจำได้แล้วก็มักจะไม่ลืมเสีย ง, ง่ายๆดังในวัยเยาว์ต่อมาเมื่อเราตกอยู่ในปัตติ ม, มวัยซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมลงไปทั้งในทางกำลังกายและกำลังความคิดสมองก็จะเริ่มเสื่อมความจำในระยะที่ไม่ดีกว่าจะจดจำได้แสนลำบากทั้งยังลืมง่ายจำอะไรไม่ได้นานลืมแม้กระทั่งชื่อคนที่เรารู้จักมาหยกหยก วิธีช่วยความจำเรื่องที่กล่าวได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดที่เกี่ยวกับความจำของมนุษย์เรานั้นได้แก่การเริ่มจดจำได้เพราะในขั้นนี้แหละที่จะช่วยได้มากในการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบกิจทุกชนิดที่ต้องอาศัยความจำถ้าเราเป็นคนที่สามารถจำได้รวดเร็วง่ายแม่นยำแล้วไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดเราก็จะเรียนได้เร็วและมีความก้าวหน้าในการงานต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยลาดับ และเพื่อให้เรามีความจำดีข้าพเจ้าใคร่จะขอเสนอหลักในการช่วยความจำไว้ในลาดับต่อไปนี้วิธีการช่วยความจำหรือที่เรียกว่าเมมโมิกนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่สำคัญและได้ผลดีที่สุดนั้นมักได้แก่การฝึกความคิดที่เกี่ยวโยงกันซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนแรกขอให้ย้อนไปดูประกอบด้วย วิธีช่วยความจำในสมัยโบราณนั้นได้แก่การท่องจำหรือเขียนสิ่งที่เราจะจำซ้ำๆซักๆกันลหลายๆสิบครั้งจนจำได้แม่นยำวิธีการเช่นนี้ใช้ได้ดีและเป็นวิธีเดียวในสมัยกระโ น, น้น ในขณะที่มนุษย์ยังขาดความเจริญยังไม่ก้าวหน้าในหลักการศึกษาแบบใหม่ๆและยังคงใช้กันต่อมาถึงในปัจจุบันนี้เพราะแม้จะมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆในการช่วยความจำแต่วิธีการท่องจำตามแบบเดิมก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอโดยเฉพาะในการจดจำสูตรต่างๆในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคมี Me, และในการท่องตำราทุกวิชาที่เราได้ศึกษามาแล้วเพื่อเตรียมตัวในการสอบไล่ปลายปี อุปกรณ์ในการท่องจำอุปกรณ์แรกสุดในการท่องจำที่มีความสำคัญที่สุดได้แก่เสียงที่ผ่านเข้ามาทางสดประสาทของเราเสียงที่เราได้ยินและได้ฟังด้วยความสนใจนั้นจะช่วยได้มากในการจดจำดังนั้นจึงได้ยอมรับกันตลอดมาว่า ถ้าต้องการจะท่องจำอะไรให้ได้รวดเร็วและง่ายขึ้นแล้วเราจะต้องท่องออกมาดังๆเช่นการท่องสูตรคูณหรือการท่องหนังสือของผู้ที่จะอุปสมบทเหล่านี้มักท่องออกเสียงดังๆให้ผ่านเข้าหูเป็นการช่วยการจดจำนอกเหนือไปจากทางจักสุประสาทเมื่อเราได้ผ่านทั้งทา ง, ทางตาและหูเช่นนี้แล้วก็ย่อมช่วยให้จดจำได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยาจาได้นานยิ่งขึ้นกว่าการดูหนังสืออย่างเงียบๆ ในระยะที่เราเป็นเด็กเล็กๆนั้นเราจะเริ่มจดจําคําพูดต่างๆจากการได้ยินทางหูเป็นส่วนใหญ่ครั้นเมื่อเราเติบโตพอที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนได้แล้วอุปกรณ์ในการจดจําของเราก็เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งคือทางจากสู่ปภาสาคือเมื่อเราเรียนหนังสือเมื่อเข้าเรียนในชั้นได้ฟังครูอธิบายวิชาเลขคณิตนั้นครูมักจะเขียนตัวเลขและคําอธิบายลงบนกระดานดําที่ติดอยู่หน้าชั้นเรียนพร้อมกับอธิบายประกอบ ดังนี้เราก็จะได้ยินคำอธิบายจากครูด้วยหูได้แลเห็นสิ่งที่ครูเขียนลงบนกระดานดำพร้อมกันไปเช่นนี้แล้วย่อมทำให้เราสามารถจดจำได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างไรก็ดีนักจิตวิทยาหลายท่านยืนยันว่าอุปกรณ์ในการท่องจำทั้งสองอย่าง คือทางตาและทางหูนี้จะให้ผลในทางช่วยความจําได้มากกว่าและดีกว่าการเห็นด้วยตาเพียงทางเดียวหรือการได้ยินด้วยหูเพียงทางเดียวอย่างไรก็ตามในวิชาทางการแพทย์กล่าวว่าการท่องจําที่หนักเกินไปนั้น ก่อให้เกิดยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยแก่สมองและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สมองที่อ่อนแอได้แต่เพราะยังหาวิธีช่วยความจำที่มั่นคงและแน่นอนเท่ากับการท่องจำไม่ได้เราจึงยังคงต้องใช้ต่อไปแต่ควรมระมัดระวังอย่าให้หนักเกินกำลังของสมองของเรานัก ได้ยอมรับกันทั่วไปว่าหลักสำคัญในการท่องจำประการหนึ่งนั้นก็คือในขณะที่ท่องจำนั้นเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจพร้อมกันไปด้วยกับข้อความและเรื่องราวที่เราท่องจำนั้นได้ปรากฏอยู่หนึ่งๆว่ามีนักเรียนจำนวนมากท่องจำบทเรียนได้แต่ขาดความเข้าใจอาจเพราะขาดอาจารย์ที่จะมาช่วยอธิบายประกอบวงเล็บเปิดส่วนมากเป็นพวกที่เรียนด้วยตนเองวงเล็บปิด ผู้ที่ท่องจําได้แต่ไม่เข้าใจความหมายเหล่านี้มีสภาพไม่ผิดนกขุนทองที่หัดพูดตามที่มีผู้สอนแต่หารู้ไม่ว่ามันหมายความว่าอะไรไม่ย่อมจะสู้ผู้ที่ท่องจําด้วยการมีความเข้าใจประกอบด้วยไม่ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องจํา นึงจงใช้สายตามองดูตำราที่เราจะต้องจดจำด้วยความสนใจแล้วเริ่มอ่านออกเสียงพอได้ยินอ่านซ้ำในประโยคหรือวลีที่ยาวพอที่เราจะจำได้ชั่วขณะหนึ่งในการใช้สายตาดูตำราด้วยความสนใจและอ่านออกเสียงดังๆนั้นจะเกิดอุปกรณ์ในการจดจำสองทางคือจากการมองด้วยตาและการได้ยินเสียงอ่านด้วยหู ความจำทางในตาคือตัวอักษรที่เราได้แลเห็นอยู่ในตำรานั้นเราจะต้องพยายามจดจำให้ติดตาความจำทางหูคือการได้ยินเสียงที่เราอ่านวาลีประโยคหรือข้อความนั้นดังๆเราจะต้องพยายามจำให้ติดหูพร้อมๆกับการจำให้ติดตาถ้าหากว่าเรากระทำได้ดังกล่าวก็หมายความว่า เราได้อุปกรณ์ในการช่วยจําทั้งสองประการในขณะเดียวกันซึ่งจะช่วยให้การท่องจําของเราแม่นยำและรวดเร็วขึ้น -2 วิธีท่องจําให้เกี่ยวเนื่องกันวงเล็บเปิดได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นวงเล็บปิดนับว่าเป็นการช่วยความจําได้ดีอีกประการหนึ่งเพราะเป็นการจําที่ไม่มีการตกหลน่นนักจิตวิทยาต่างประเทศนิยมใช้กันมากเป็นพิเศษ สามในขณะที่ร่างกายของเราเกิดมีการอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตามความสามารถในการท่องจำของเราก็จะพลอยเหนื่อยนายและเสื่อมทรามไปด้วยจึงกล่าวได้ว่าการท่องจำในเวลาที่เรากำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนนั้นไม่ได้ผลดีในการฝึกกำลังสมองจึงขอแนะนำว่าเมื่อรู้สึกอ่อนเพลียแล้วไม่ควรใช้สมองควรหยุดการท่องจาพักผ่อนด้วยการปล่อยกายไปตามสบาย หรือหลับสักงีบหนึ่งจะช่วยให้กลับสดชื่นขึ้นและเมื่อหายอ่อนเพลียสมองแจ่มใสแล้วนั่นแหละจึงควรเริ่มท่องต่อไปสี่ความสงัดสงบนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งในการท่องจำเพราะในการใช้สมองใช้กำลังความคิดโดยเฉพาะการท่องจำนั้นถ้าได้อยู่ในที่สงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวนใจให้ขาดสมาธิแล้วจะได้ผลดีกว่าการท่องจาในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน อันจะเป็นการทำลายสมาธิให้เสียไป 5. นักเรียนนักศึกษาส่วนมากเชื่อกันว่าการนอนตื่นแต่เช้ามืดยามสงบสงัดคือระยะเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาถึงหนาฬกาแล้วลงมือท่องตำรานั้นจะช่วยให้เกิดความจำได้ดีขึ้นเพราะเป็นเวลาเงียบสงัดปราศจากเสียงรบกวนและหลังจากได้นอนพักมาเต็มตื่นแล้วอย่างไรก็าตามนักจิตวิทยากล่าวว่าเวลาเช้ามืดดังกล่าวนั้นเหมาะแก่การทบทวนวิชาต่างๆ วงเล็บเปิดทบทวนความจำวงเล็บปิดที่ได้ท่องจำเมื่อคืนที่แล้วมามากกว่ากล่าวคือควรจะเริ่มท่องจำในเวลากลางคืนหลังจากทำการบ้านเรียบร้อยแล้วท่องให้มากที่สุดเมื่อง่วงก็เข้านอนในกรณีเช่นนี้ก่อนที่เราจะหลับสนิทนั้นความคิดของเขามักจะวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องในหัวข้อที่เราท่องจำในตอนก่อนนอนจนพลอยหลับไปครั้นเมื่อตื่นนอนในตอนเช้ามืด เมื่อเราลุกขึ้นทบทวนถึงเรื่องที่ท่องไว้ก่อนเข้านอนเพราะจะได้พบว่าความจำผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและง่ายกว่าจำได้แม่นยำกว่าที่ท่องเมื่อคืนก่อนทั้งนี้เพราะเมื่อเราหลับแล้วนั้นสมองของเรายังคงทำงานจัดลำดับบันทึกเรื่องราวต่างๆลงในความจำต่อไปเมื่อเราตื่นขึ้นในตอนเช้าจึงมีความแจ่มใสและจดจำได้ดีกว่าเมื่อตอนก่อนเข้านอนมาก ส่วนการท่องตำราต่างๆในเวลาเช้ามืดนั้นเราอาจจะจดจำได้รวดเร็วแต่แล้วก็จะกลับลืมได้ง่ายเช่นกันเพราะหลังจากที่เราได้ท่องจำแล้วจะมีเรื่องอื่นเข้ามายุ่งและเป็นเรื่องที่เราจะจดจำและทำความเข้าใจทับถมมาอีกตลอดทั้งวันซึ่งจะทำให้เราลืมสิ่งที่ได้ท่องจำมาแล้วในตอนเช้ามืดเสียสิน้นนักจิตวิทยาบางท่านกล่าวว่าสิ่งใดก็ตาม ที่เราได้พยายามดันมันเข้าไปสู่ความจำของเราแล้วสิ่งนั้นย่อมยังคงอยู่ไม่สูญสลายไปแต่ที่เราคิดว่ายังจำไม่ได้ชัดเจนก็เพราะแม้ว่าช่องความจำในสมองของเราได้รับความเข้าใจแล้วก็ตามแต่ก็ยังขาดโอกาสและความสะดวกที่จะแสดงออกมาถ้ามีโอกาสและความสะดวกเมื่อใดมันก็จะแสดงออกมาเป็นความจำที่จมใส่ การทบทวนความจำในเวลาเช้ามืดดังกล่าวแล้วคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดความสะดวกในอันที่จะนำเอาความจำออกมาใช้วิธีปลูกสร้างความจำนักจิตวิทยาอีกพวกหนึ่งได้ให้ความเห็นในเชิงแนะนำในการปลูกสร้างความจำหรือวิธีฝึกสมองให้มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นในการจดจำสิ่งต่างๆได้หลายวิธีด้วยกันคือ1ฝึกให้มีนิสัยสร้างมโนภาพ โดยปกติธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นปรากฏว่ามนุษย์มีความจำที่ได้จากการฟังคือทางโสตรประสาทมากกว่าทางจักษุประสาทคือการได้แลเห็นดังนั้นถ้าเราได้บำรุงสมรรถภาพทางจักษุประสาทคือให้เกิดความจำด้วยการเห็นทางตา ม, มากและดียิ่งขึ้นอีกแล้วก็จะช่วยให้มีความจำดียิ่งขึ้นและจำได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะจะได้ช่วยกันทั้งการฟังด้วยหูและดูด้วยในตา และเพราะเหตุนี้เองเราจึงได้รับคำสั่งจากครูอาจารย์ให้เราทำการคัดลอกโครงฉันกับกรอนหรือคำสุภาษิตคำคมลงในสมุดฝึกหัดหรือในกระดาษแล้วเก็บเรียงเข้าแฟ้มไว้เพื่อการท่องจำ หรือจะใช้วิธีสร้างมโนภาพด้วยการที่เมื่อเราจดข้อความนั้นแล้วเราก็อ่านข้อความนั้นอยู่ในใจด้วยการดูด้วยตาเสียอีกเที่ยวหนึ่งแล้วปิดที่คัดลอกไว้แต่เดิมนั้นเสียหยิบกระดาษแผ่นใหม่มาเขียนข้อความนั้นๆลงไปใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องดูแบบวงเล็บเปิดของเก่าวงเล็บปิดเมื่อเขียนจบแล้วจึงค่อยนามาเทียบดูว่าผิดถูกประการใดหรือไม่ถ้าผิดมากก็แสดงว่า ความจำยังไม่ดีจะต้องฝึกฝนต่อไปใหม่อีกอันหนึ่งนักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันหรือภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาไทยอันเป็นภาษาเก่าของเราแล้วนักเรียนจะต้องท่องคำศัพท์ให้ได้มากที่สุด การท่องคำศัพท์ขอให้ทำดังนี้คือท่องคำศัพท์ให้จำได้ขึ้นใจด้วยการเปิดพจนานุกรมดูคำศัพท์ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยพบมาก่อนด้วยวิธีมองดูด้วยตาอ่านและหัดสะกดอยู่ในใจจำคำแปลให้ได้แล้วปิดหนังสือท่องใหม่ถ้าติดจึงค่อยเปิดดูใหม่คราวนี้ทดสอบด้วยวิธีเขียนคำภาษาต่างประเทศนั้นแล้วเขียนคำแปลลงไปด้วย จากนั้นจึงเปิดพจนานุกรมตรวจสอบดูอีกครั้งว่าผิดหรือถูกประการใดวิธีนี้จะช่วยให้เกิดความจำได้ดีเป็นการสร้างความจำสร้างการสร้างมโนภาพทางหนึ่งถ้าหากว่า คุณสร้างมโนภาพได้และสามารถจดจำได้แม่นยำแล้วคุณจะจำได้มากกว่าการได้ยินด้วยหูเพราะการได้เห็นด้วยตานั้นมักจะติดตรึงตาอยู่ได้มากกว่าเช่นเมื่อคุณเดินหรือนั่งรถผ่านไปตามถนนแล้วบังเอิญเกิดมีอุบัติเหตุรถอีกคันหนึ่งพลิกคว่มเกิดไฟไหมครอบคนในรถนั้นตายตัวดำเป็นตอตะโกหงิกงองเหมือนกุ้งถูกย่างไฟ เมื่อคุณหยุดดูภาพคนตายนั้นแล้วแม้จะไม่ตั้งใจจดจาดวงหน้าและลักษณะของศพนั้นแต่คุณก็จะจําภาพที่น่าสยดสยองนั้นได้อย่างติดตาไปนานเท่านานท้งนี้ก็เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นดึงดูดความสนใจของคุณมากดังนั้นแม้จะได้เห็นเพียงแวบเดียวก็ติดตาไปนาน ด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาจึงได้แนะนำให้คุณสร้างความสนใจให้บังเกิดขึ้นถ้าคุณต้องการจะจดจำสิ่งใดเพราะถ้าคุณสนใจมากเพียงใดคุณก็จะจดจาได้มากเพียงนั้น 2. ฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างบันทึกโดยปกติแล้วได้เป็นที่ยอมรับกันว่าไม่มีใครที่จะมีสมรรถภาพจดจำสิ่งต่างๆที่เขาควรจะจดจำไว้ได้ทั้งหมด โดยไม่มีการจดบันทึกลงไว้แม้บุคคล น, นั้นจะมีสมองในช่องความจำดีเลิศเพียงใดก็ตามก็ยังยอมรับว่าเขาลืมสิ่งต่างๆมากกว่าที่จะจดจำไม่ได้นอกจากนั้นยังปรากฏด้วยว่าประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขามั่นใจว่าจำได้ยังเป็นความจำที่คลาดเคลื่อนอีกด้วยดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่คุณจะต้องช่วยสร้างความจำของคุณด้วยการเขียนหรือบันทึกสิ่งที่จะต้องจำลงไปและจะต้องเขียนลงอย่างเป็นระเบียบ ทั้งอย่าให้ข้อความที่จดบันทึกลงไปนั้นขัดกันนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในการฝึกความจำได้แนะนำคนงานว่าคนงานและผู้บริหารงานที่มีอายุมากกว่าห0ปีขึ้นไปแล้วจงเขียนลงไปซึ่งข้อความหรือเรื่องราวที่จะต้องจดจำอย่าพยายามเก็บไว้ในหัวสมองเท่านั้นอย่างไรก็ดีเท่าที่ได้สังเกตมีน้อยคนนักที่จะยอมเสียเวลาในการจดบันทึกอาจเป็นเพราะความเกียดคร้าน หรือเชื่อมั่นในความจำของตนมากเกินไปบางคนมีความคิดเลยเถิดไปว่าการจดบันทึกอะไรลงไปนั้นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าตนมีความอ่อนแอและมีสมองไม่ดีมีพลังความจำเสื่อมซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างมหันต์โปรดระลึกว่าถ้าคุณได้ทำการจดบันทึกตามคานานี้แล้วงานประจาวันของคุณจะได้รับการมรมัดรระวังเป็นอย่างดีเพราะบันทึกนั้น เป็นสิ่งเตือนใจคุณในเมื่อคุณได้แลเห็นบันทึกนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าคุณมีโต๊ะทำงานเป็นส่วนสัตว์ขอแนะนำให้หาปฏิทินตั้งโต๊ะสักอันหนึ่งการจะจดข้อความหรือกำหนดนัดหมายที่จะต้องจําลงบนปฏิทินนั้นจะช่วยความจําได้มากสิ่งที่คุณควรจะบันทึกได้แก่ 1. การกำหนดนัดหมายที่จะกระทาภายหน้า 2. การนัดหมายที่กาหนดไว้แล้ว รวมทั้งเรื่องที่จะปรึกษาหาหรือไว้โดยย่อ 3. วันครบรอบวันเกิดของญาติมิตรหรือวันสําคัญต่างๆที่คุณจะต้องจดจํา 4. กําหนดนัดหมายกับคนอื่นในอันที่จะติดต่อการงานต่างๆ 5. เหตุการณ์ที่น่าสนใจต่างๆที่จะมาถึง 6. กําหนดนัดหมายในการทําข้อตกลงต่างๆและวันสิ้นกําหนด 7. ธุรกิจพิเศษที่ไม่ใช่งานประจําวัน 8. ปัญหาที่จะต้องอภิปราย 9. ความตกลงต่างๆในการประชุมทุกครั้ง 10. สูตรต่างๆและความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์มโนคติและการตั้งใจจะจำมโนคติหมายถึงภาพต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในใจของเราและโดยทั่วไปแล้วกล่าวได้ว่ามโนคติมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เพราะมโนคติช่วยให้เกิดความคิด ถ้าไม่สร้างมโนคติขึ้นมาก่อนแล้วความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีมโนคติแรงกล้านั้นมักจะคิดหรือสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้เสมอเช่นการสร้างยานอาวกาศสร้างเครื่องจักรกลขึ้นมาใหม่ๆนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากมโนคติทั้งสิน้นนักประพันธ์สามารถเขียนเรื่องยาวๆได้นั้นก็เพราะเขามีมโนคติอันแรงกล้า การสร้างมโนคติช่วยให้มนุษย์มีสมรรถภาพในการสร้างหรือมีนิสัยในการสร้างอันเป็นการตรงข้ามกับการทำลายทั้งนี้ก็เพราะผู้มีมโนคติอันแรงกล้ามักจะมองเห็นภาพอันแจ่มใสลอยวนอยู่เบื้องหน้านักสร้างมโนคติย่อมจะมีนิสัยละเอียด จะทำอะไรมักมีแบบมีแผนวางโครงการล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือกระทำอะไรลงไปนักศิลปะมักจะเป็นบุคคลผู้มีมนโนคติเช่นนักประพันธ์จะต้องมีมนโนคตินักแต่งเพลงและนักวางแผนเมืองล้วนแล้วแต่มีมนโนคติทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามคุณจะต้องไม่เอาเรื่องมนโนคติเข้าไปปะปนหรือรวมกับการที่นึกฝันอันเลื่อนลอยแบบสร้างวิมานบนอากาศซึ่งไม่ได้ผลอะไรเลยการตั้งใจที่จะจา นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเสริมสร้างพลังแห่งความจำผู้หนึ่งได้กล่าวข้อความที่ควรจะยึดถือและปฏิบัติตามดังนี้คือจงอย่าคิดว่าความจำของคุณจะอุบัติขึ้นได้เองโดยปราศ จ, จากความช่วยเหลือใดๆดังนั้นจึงช่วยให้มันเกิดขึ้นและจงอย่าวังว่าความจำจะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติเหตุการณ์ต่างๆที่มนุษย์จะจดจำเอาไว้ในสมองนั้น จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจในอันที่จะจำมิฉะนั้นแล้วความจำย่อมขาดประสิทธิภาพเราจะจำสิ่งใดเหตุการณ์ใดไว้ได้นานมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ว่าคุณได้เตรียมตัวเตรียมสมองไว้เพียงพอในเวลาที่จะจดจำหรือในเวลาที่จะรับเอาภาพพิมพ์ใจนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเพียงใดหรือไม่สิ่งนี้แหละที่นับว่ามีความสำคัญที่สุด ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการจะจำสิ่งใดไว้ให้ได้นานๆคุณจะต้องจำด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังเพื่อให้ภาพหรือสิ่งเหล่านั้นอยู่ในความทรงจำของคุณเป็นเวลานา น, านการนำเอาความพยายามที่จะจำไปใช้ในทางปฏิบัินั้นได้ถือปฏิบัติกันมากในโรงงานเคมีซึ่งคนงานจะต้องทำงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหลายต่อหลายอย่างดังนั้นคนงานที่เข้าทางานใหม่จะต้องได้รับคาแนะนา และบัญชีรายชื่อสิ่งของอันตรายในอันที่จะปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของตนเองและจะต้องอ่านดูให้เข้าใจก่อนปฏิบัติงานแต่แม้กระนั้นหัวหน้าคนงานก็ยังไม่ไวายจะร้องทุกต่อนายจ้างว่าพวกคนงานใหม่ๆมักละเลยหลงลืมข้อบังคับและข้อแนะนำในการปฏิบัตินั้นเสียเนือง จากการสำรวจตรวจสอบของคณะหัวหน้าคนงานปรากฏว่าคนงานใหม่เหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยต่อกฎหรือข้อแนะนำหากแต่เขาอ่านข้อแนะนำเหล่านั้นเหมือนการอ่านหนังสือทั่วไปไม่ได้มีความพยายามที่จะจำเขาจึงไม่อาจจะจดจำกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากเหล่านั้นได้ทั้งหมดบางคนจำได้ชั่วระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ลืมเลือนไปกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับสมองของมนุษย์เรานั้น ในรายปกติแล้วสมองจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คุณได้ชักนำไปในขณะนั้นนั้นดังนั้นถ้าคุณมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จําอยู่เสมอแล้วความตั้งใจอันแน่วแน่นั่นแหละจะมีอำนาจสูงกว่าการใช้สมาธิถ้าหากว่าคุณได้นำความคิดของคุณไปตามแนวที่ถูกต้องในการที่จะจดจํา แล้วสมองของคุณก็พร้อมที่จะรับและจำรายละเอียดต่างๆที่ถูกส่งเข้าไปให้ไม่ว่าจะทางในตาหรือทางหูและเมื่อสมองได้รับเข้าไปในช่องความจำแล้วคุณก็จะจดจำได้แม่นยำการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการใช้สมาธิในการที่จะจำนั้นก็เพราะว่าความโน้มเอียงที่มีความตั้งใจแน่แนหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า การเตรียมสมองไว้ให้พร้อมที่จะจำนั้นสมองและอารมณ์ของคุณจะไม่เคร่งเครียดเท่ากับการเข้าสมาธิหรือใช้สมาธิและข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีใครหรอกที่ต้องการจะทำตัวให้เคร่งเครียดเมื่อเขาต้องการที่จะจำอะไรสักอย่างหนึ่งและเมื่อคุณมีความโน้มเอียงที่จะตั้งใจแน่วแน่อันเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้อนในการที่จะจำเหตุการณ์นในอดีตหรือสิ่งใดแล้วสมาธิก็ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเรียกสมาธิเพื่อที่จะจำความตั้งใจแน่ๆที่จะจำทำให้เกิดสมาธิได้โดยอัตโนมัติดังนั้นจึงขอให้คุณพยายามให้เกิดมีความตั้งใจที่จะจาเสียแต่บัดเดี๋ยนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่จำอะไรๆ ไ, ได้ดียิ่งผู้หนึ่งในอนาคตระยะของความจำนักจิตวิทยากล่าวว่าโดยปกติแล้วความจาของมนุษย์เราจะเกิดขึ้นเป็นจังหวะ หรือระยะรวมเสีระยะด้วยกันคือ 1. ระยะบันทึกเพื่อความทรงจำอันได้แก่ประสบการณ์ต่างๆที่ได้จดบันทึกลงไว้ในสมองไม่ว่าจะโดยการอ่านหรือด้วยการได้รับฟังการบรรยายหรือด้วยการได้แลเห็นด้วยตาเพื่อให้เกิดรอยพิมพ์ใจหรือเป็นรอยขึ้นในระบบประสาทสอระยะคงรูปได้แก่ระยะต่อจากระยะแรก เป็นปริยะของรอยพิมพ์ใจหรือรอยในระบบประสาทนั้นๆที่จะจารึกอยู่เป็นเวลายาวหรือสั้น 3. ระยะระลึกได้ได้แก่ระยะเวลาที่คุณยังสามารถจะระลึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นได้ในเมื่อต้องการจะย้อนระลึก 4. ระยะจำได้แม่นยำได้แก่การที่คุณจำประสบการณ์ที่ระลึกได้นั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วและมีความหมายสาหรับตัวคุณเองอย่างไรก็ตามโปรดระลึกว่า ความพยายามที่จะจำนั้นมีประโยชน์มากที่สุดในระยะหนึ่งความเป็นคนใจเย็นความเป็นคนใจเย็นไม่ตื่นเต้นต่อประสบการณ์ที่ปรากฏแก่คุณอย่างฉับพลันจะช่วยได้มากในการจดจำเช่นในกรณีที่สมมติว่ามีคนร้ายเข้าไปจี้พนัก ง, งานธนาคารแล้วชิงเงินสดไปหมดสิ้นนั้นเมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนพนัก ง, งานธนาคารผู้นั้นกำลังตกใจปากคอสัน่นตอบอะไรไม่ถูก จำไม่ได้แม้แต่หน้าตาท่าทางของคนร้ายแต่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ค่อยๆปลอบถามโดยพยายามให้เขาทำใจเย็นๆค่อยๆหวนระลึกถึงเหตุการณ์นั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วจึงค่อยตอบคำถามต่อมาไม่นานนักปรากฏว่าพนักงานผู้นั้นค่อยๆตอบคำถามได้เป็นส่วนมากจนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนตัวคนร้ายมาลงโทษได้สาหรับความตั้งใจที่จะจานั้นได้เคยปรากฏมาแล้วว่า ภายหลังจากความตื่นเต้นตกใจได้ผ่านพ้นไปแล้วความตั้งใจอันนั้นได้สูญเสียเปล่าไปเพราะผู้นั้นได้ระลึกเอารายละเอียดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงขึ้นมาทั้งได้ปรากฏมานักต่อนักแล้วว่าความจำที่ผิดพลาดของบุคคลผู้ถูกอ้างมาเป็นพยานโจทย์เหล่านี้ได้เคยทำให้ผู้บริสุทธิ์กลับได้รับโทษมาแล้วมากมายดังนั้นการใช้ความพยายามที่จะจาจึงควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องแก่กาละ คุณไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามที่จะจํานอกเสียจากว่าความจํานั้นมันจะได้สะดุดหยุดลงเท่านั้นจงพยายามจําตั้งแต่ระยะแรกเริ่มที่ได้พบกับเหตุการณ์อันประทับใจนั้นเพื่อให้สมองในช่องความจำได้ลงมือบันทึกไว้และจงตั้งใจในเมื่อสิ่งนั้นมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ในสมองของเรา